ไม่ไปโดยรีบด่วนเหมือนคนรีบร้อนอนะท่านก็เลยพูดเป็นเชิงเตือนว่าปินดะปาติกะทุดงโดยรีบด่วนหามีไม่ไม่มีรอกทุดงข้อรีบไปรีบมาเนะนี่ยนะรีบไปบินธบาลวิ่งฉับฉับๆับฉั บ, ฉ บ, ฉ บ, ฉบแบบรีบร้อนอนะัไม่มีรอกย่อมเดินไปโดยไม่หวัน่นไหวเหมือนเกวียนที่บรรทุกน้ําเต็มนะนะประคับประคองแบบไปเรื่อยๆไม่ใช่เดี๋ยวก็ใจมันก็ชอก็เฉกไปหมด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 อะไรนะก็เจริญกรรมฐานพักผ่อนแล้วก็ตื่นเช้ามาประชิมยามนี่ก็เจริญต่อก็สรุปว่าเจริญกรรมฐานอย่างนี้ทุกวันสืบเนื่องไปตลอดเป็นสิบสิบยีปีเนี่ยนะกรรมฐานที่พูดดังกล่าวนี้เรียกว่าคตะปัจจาคตะวัดวัดในการนำกรรมฐานไปนากรรมฐานกลับวิธีการบริหารกรรมฐานบริหารสามถะวิปัสนาให้เป็นปอยยางสืบเนื่อง เมื่อพิสูจนนั้นบําเพ็ญขตปัจจคตะวัดอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยหมายคำว่าอดีตสังสมอุปนิสัยที่จะบรรลุพระอรหันต์มาก็บรรลุพระอรหันต์ในปฐมวัยนะบรรลุก่อนอายุ30แน่ถ้าไม่บรรลุก่อนอายุ30ก็บรรลุภายในไม่เกินอายุ60ถ้าบรรลุไม่เกิน60ก็บรรลุไม่เกินจุติว่างั้นเถอะนะมาชิดปัจฉิมวัยก็บรรลุถ้าไม่ตอนนั้นก็บรรลุก่อนจะตาย ตอนมรณะสมัยก็บรลุถ้าไม่บรรลุตอนมรณะสมัยเป็นเท พ, พบุตรได้อุตสปายะเป็นต้นแล้วก็บรรลุถ้าไม่บรรลุตอนเป็นพระพุทธเป็นเทวดาก็เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าแล้วปรินิพานถ้าไม่เป็นพระประเจกก็เป็นพระขิปปาภินยาเหมือนกับพระพายะเทระ <c oughs> หรือเป็นผู้มีปัญญามากเหมือนพระสารีบุตรเทระในสํานักของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ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 ก็มาถือปฏิสนธิในคันของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพารณสีนะหญิงทั้งหลายผู้ฉลาดย่อมรู้ฐานะที่ตนมีคันในวันนั้นนั่นเองและพระอัครมเหสีนั้นก็เป็นหญิงองค์หนึ่งที่ฉลาดในบรรดาหญิงเหล่านั้นฉะนั้นพระองค์กร็รู้ว่าพระองค์ในตั้งคันก็เลยทูลบอกการตั้งคันแด่พระราชาการที่มาตุคามเมื่อสัตว์ผู้มีปัญญาเกิดในคันย่อมได้การบริหารเป็นอย่างดีนี่เป็นธรรมดา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 เพราะเมื่อมารดากลืนอาหารที่ร้อนจัดสัตว์ที่อยู่ในคันก็เป็นเหมือนกับอยู่ในโลหะกุมพีมันร้อนระอัวนะถ้าแม่แม่กลืนของร้อนร้อนเนี่ยลูกในท้องจะร้อนด้วยไหมถิ่วบอบบางขนาดนั้นก็ร้อนไปด้วยวะนั้น mm hmm. เมื่อแม่กลืนกินของเย็นจัดลูกก็เหมือนอยู่ในโลกันตนรก mm hmm. เมื่อแม่บริโภคของที่เปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดขมจัดอวัยวะสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในคันก็มีเวทนากล้าเหมือนถูกสาตรา ผ่าแล้วก็ราดด้วยน้ำเปรี้ยวเป็นต้นเพราะผิวบอบบางมากน่ยนะเพราะเด็กเจ็บปวดนี่เด็กเคยออกมาร้องเรียนไหม น, นะนเด็กที่อยู่ในครันมัน ไ, ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดไม่รู้จักอะไรมันก็เป็นแต่ไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังนี่ยนะมันก็เจ็บปวดทุกข์กตา ย, ยวิญญาณก็เกิดได้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 เขาบอกคนมีบุญโดยมาจากคลอดใกล้รุ่งเขากงั้นซึ่งมีลักษณะพร้อมด้วยทัยญญลักษณ์บุญลักษณ์ประว่าลักษณะของคนมีบุญมาเกิดเช่นกับก้อนมโนศิลาที่ทาด้วยน้ำมันสุกต่อจากนั้นในวันที่ห้าราชบริษทั้งหลายก็นำพระราชโอรสนั้นอะ่ะเข้าประดับประดาตกแต่งเข้าไปถวายพระราชาหาวันแล้วนะพ่อจึงได้เห็นงั้นพระราชาก็ยินดีก็เลยให้พี่เลี้ยง66คนเลี้ยงดูนะ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 พระราชโรสนั้นก็อพิเศษครองราชสมบัติโดยนามว่าพรห ม, มทัศน์แปลว่าพรหมให้มาพระเจ้าพรห ม, มทัศน์แปลว่าพรหมให้มาเองถ้าเทวทัศน์ก็เทวดาให้มาก็ชื่อนี้เสียก็เลยมีใครตั้งก็เป็นพระเจ้าพรห ม, มทัศ์ปกครองนครสี่หมื่นนครคําว่าสี่หมืนครก็คือสี่หมื่นเมืองหรือสี่หมื่นอำเภอนะลักษณะสี่หมื่นอำเภอหรือสี่0 0ื่นเมืองอในชมพูทวีปทั้งสิ้นในการก่อน ชมพูทวีปนี้ปกติเนี่ยมีนครเ น, นี่ยนะประมาณ 84% ดหมนพนครก็คือ 84% ดหมพันอำเภอรหรือ8400มพันเมืองอ่ะนะพระนครเหล่านั้นก็เสื่อมก็เหลือ4ีอ่0 0ื่นนครในการบางอย่างก็เสื่อมเหลือสองหมื่นนครพระเจ้าพรหมทัตอุบัติขึ้นในเวลาที่มีแต่ความเสื่อมทุกอย่างบ้านเมืองก็เลยเหลือประมาณ 20,000 นครปราสาทสองห0ื่นองช้างส 0,000 ื่นเชือกม้าสองหมื่นตัวรถ2องห0ื่นคันทหารเดินเท้าสองห 0,000 ื่นคน เมืองละคนนังทหารนะจนจังเลยนะทหารเมืองละคนเหมืนกันนางสนมและนางหญิงฟ้อนสองหมื่นนางอมัดสองหมื่นคนพระเจ้าพรหมทัตนั้นอ่ะเสวยมหาราชสมบัติอยู่ก็กระทํากรสินบริกรรมเป็นคนมีบุญอัธยาศัยนักบวชมาเต็มเตี่ยมเลยน ะ, จะเจริญสมณธรร ม, รมอยู่สองหมื่นปีพอมาเป็นพระราชาเนี่ยไม่ได้ปกครองบ้านเมืองหรอกนั่นเจริญกรรมฐานจนได้อภิญญาห้าสมาบัติแปด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 ประทับอยู่ด้วยความสุขในสมาบัติใครๆไม่อาจาเพื่อจะเข้าเฝ้านอกจากมหาหเล็กผู้ถวายน้ำล้างพระพักไม้ชาระฟันแล้วก็พระกาหารเป็นต้นวันเวลาผ่านไปประมาณครึ่งเดือนพระมหิสีก็ตรัสถามว่าพระราชาไม่ปรากฏในที่ใดเลยพระองค์ไม่ไปเที่ยวอุทยานไม่ตรวจพนไม่ดูการฟ้อนรำตอนนี้พระองค์สเสด็จไปไหนราชบุตรก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่ดพระนาง พนางก็ส่งข่าวสารถึงอมรทว่าเมื่อเจ้ารับราชสมบัติแล้วแม้ตัวฉันเองก็เป็นอันของเจ้าด้วยพันเจ้าต้องรับเอาตัวฉันด้วยนะเจ้าจงมาจงสําเร็จการอยู่ร่วมกับฉันอมรก็ปิดหูทั้งสองปฏิเสธว่าขออย่าได้ยินเรื่องนั้นเลยพนางก็ส่งข่าวสารไปอีกสองสามครั้งในที่สุดพระนางก็คุกคามอมารผู้ไม่ปรารถนาว่าถ้าท่านไม่ยอมกระทําเราจะถอดท่านออกจากตําแหน่งหรืออาจจะฆ่าท่านก็ได้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 ไม่สนใจพระราชาแลว้วเขาเนี่ยนะตัวเองนึกว่าเป็นสําเร็จหมดทุกอย่างเหมือนกับองค์ราชาแท้ๆลืมไปเนี่ยนะต่อมาพวกราชบุรุษก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชาก็ไม่เชื่อนะไม่สนใจคือคําว่าไม่เชื่อก็คือไม่สนใจพวกครั้งที่สองครั้งที่สพระองค์ก็ประทับนั่งเห็นด้วยพระองค์เองเดี๋ยวไปดูสิก็เห็นจริงก็รับสั่งให้อํามาัดทุกคนประชุมกัน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 พระราชาก็ตรัสสั่งพระราชทานิญซับแก่โจรเหล่านั้นให้โอว่าเลยอย่าทำอย่างนี้อีกนะเขามาปล้นเออนี่เอาไปอย่าทําอย่างนี้อีกนะไม่ดีก็ซ้อให้กลับไปก็ปล่อยไปพวกคนเหล่านั้นก็มากราบทูลแก่พระราชาของตนพระราชาก็สั่งให้ทดลองอย่างนั้นสองสามครั้งก็เลยคิดต่อไปว่าเออพระเจ้าพระมทัศน์นี้มีศีลจริงก็เลยตระเตรียมจัตุรงคเสนายกเข้าสู่นครในระหว่างเขตแดนก็ส่งสารให้แก่อํามาศ ในนคร น, นั้นว่าจะให้เมืองแก่เรารู้ว่าจะรบบห ง, งานอนกันอามาก็กราบทูลเรื่องนั้นแกพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็กราบทูลใหพ้พระเจ้าพรหมทัตว่าขอพระองค์จงรับสั่งว่าข้าพระเจ้าจะรบหรือจะให้นครปราชาก็าส่งไปว่าเราไม่รบนะเจ้ า, เ, าเราไม่พึงรบเจ้าให้นครแล้วจงมาทีนี้เอาไปไปยกบ้านยกเมืองให้เขาเลยเหมงอนน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 ขอพระองค์จงสเสด็จมาดังนี้ก็ก็เริ่มจะไปพระราชาก็ตรัสว่าถ้าพวกเจ้าไม่ทําการนําศาสตราไปการประหารด้วยศาสตราและการปล้นสะดมเราจะไปอํา ม, มารก็กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์จะไม่ทําจะแสดงภัยและให้หลบหนีไปดังนี้แล้วก็ตระเตรียมจตุรงคเสนาตามประทีบทั้งหลายไว้ในหมอ้อทั้งหลายในราตรี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 เรายกทัพมาจากที่อื่นมาถึงเมืองศัตรูแล้วก็เลยนอนกันสบายอมาตย์ทั้งหลายก็นำพระเจ้าพระนศีสู่ไข่ของพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์สั่งให้ดับประทีปจากหม้อทุกใบแล้วก็ทําให้ทําเสียงกองทัพดังโชดช่วงพร้อมกันอมาตย์ของพระราชาปฏิปักษ์เห็นเห็นกองพลที่ยกกําลังมากก็ตกใจกลัวเข้าไปเฝ้าพระราชาทําเสียงดังตะโกนใส่พระราชาบอกจงสเสวยน้ําผึ้งที่ไม่มีตัวผึ้งว่างั้น ในเวลาเสวยน้ำผึ้งแล้วพระเจ้าข้างั่นนะ่ะนะหัวขาดแน่งานนี้อามาตย์คนที่สองคนที่สมก็ทําอย่างนั้นพระราชาปฏิปักษก็ตื่นด้วยเสียงนั้นก็ถึงความหวาดกลัวสะดุ้งด้วยเสียงตึกกล้องขึ้นตั้งร้อยประราชาปฏิปักษนั้นก็คิดว่าเราเนี่ยนะเชื่อคําพูดของคนอื่นจึงตกอยู่ในเงื้อมือของศัตรูนี่นะพอเชื่อแท้แล้วก็เลยบน่นบ่นอยู่ทั้งคืนเนี่ยเชื่อศัตรูแท้ๆเลยเชื่อศัตรูแท้ๆเลยมาตายเอาง่ายๆเนะี่ยเพราเชื่อคําของคนถอยวังนั้นนะ่ะนะ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 ทำให้แจ้งปัจเจกับโพธิยานบรรลุโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองอนะบรรลุจริงๆเลยนะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยแค่ว่าถ้าคนมีบุญแล้วบรรลุเป็นพระอาหารหันต์บนพระราชวังแล้วบนพระตำหนักเลยนะอำมาทั้งหลายก็ประชุมการกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตผู้มีความสุขด้วยมรรคผล คือพระ อ, องค์พอบรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เข้าวิมุตติสุขใช่ไหมสุขด้วยมรดุด้วยผลประทับนั่งบนคอช้างว่าตอนนั้นนี่บรรลุบรรลุบนคอช้างเนี่ข้าแต่มหาราชกาละนี้เป็นการเสด็จขึ้นสู่พระญาณขอพระองค์พึงทําสักการะแก่หมู่พลผู้ชนะพึงพระราชทานอาหารและสเสบียงแก่หมู่ชกหมู่พลผู้แพ้พระเจ้าพระมทัศน์ก็ตรัสว่าดูก่อนผนายเราไม่ใช่พระราชาเราชื่อว่าปัจเจกสัมพุทธ สมาติกราบทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายเขาไม่เป็นเช่นนี้หรอกเอาเป็นยังไงล่ะก็ธรรมดาพระประเจกับพุทธเจ้ามีผมและหนวดยาวประมาณสององคุรีทรงบริขาร8พระราชาก็ลูปพระเสียนด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาทันใดนั้นเพศกรหัตก็อันตรฐานไปเพศบรรปะชิตก็เข้ามาแทนที่พระองค์มีพระเกศาพระมศุแคนั มีผมมีหนวดประมาณสององคุรีประกอบด้วยบริขาร8เช่นกับพระถีระบวชมาแล้วร้อยพรรษาพระองค์ทรงเข้าจตุตชานเหาะขึ้นจากคอช้างไปสู่เวหาตประทับนั่งบนดอกบัวอามาทั้งหลายก็เข้าไปไหว้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์บำเพ็ญกรรมฐานอะไรบรรลุอย่างไรพระองค์เห็นแจ้งในวิปัสสนาซึ่งเป็นเหตุให้พระองค์ได้เมตตาจะเมตตาฌานกรรมฐานและบรรลุ อัน น, นพระ อ, องค์ก็เลยเล่าให้ฟังเป็นคาถาว่าคาถาว่าไงบุคคลวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงแล้วไม่พึงเบียดเบียนบรรดาสัตว์เหล่านั้นแม้ผู้ใดผู้หนึ่งให้ถึงความลำบากไม่พึงปรารถนาบุตรพึงจะพึงปรารถนาสหายมาจากที่ไหนพึงเที่ยวไปดุดหนอแรดฉะนั้นนะส่วนรายละเอียดคาอธิบายก็ไว้เป็นอาทิตย์หน้ากันแล้วกันจนพ สำหรับอาทิตย์นี้ก็คงทรงจำคาถาที่ท่านกล่าวว่านะขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นจงมีความสุขเถิดอย่ามีเวรอยา่เอยาเบียดเบียนกันเนี่ยนะท่านคิดอย่างนี้จนได้ฌานเราก็คงไม่ลืมตรงนี้นะเพื่อเป็นแนวทางในการเจริญเมตตาพระประเจก ต, ตรัสรู้รมเป็นที่พ้นทุกข์แล้วชันใดขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ทเป็นที่พ้นทุกข์ตามท่านเหล่านั้นฉันนั้นเถิด